จะสิ้นปีแล้วเร็วนะเร็วไหมใครรู้สึกเร็วบ้างนี่แหละเครื่องวัดความแก่ <c oughs> <c oughs> ถ้าเด็กมันรู้สึกว่าปีหนึ่งนานภาคเพียรานะฝึกไปเพื่อตัวเราเองแล้วแหละนะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วเลย หลวงพ่อไม่เคยสอนให้เราเชื่องมงายนะไม่ใช่มาเชื่อหลวงพ่อนะอะไรยเงี้ยไร้สาระหลวงพ่อบอกพิธีปฏิบัติให้ไปลองทำดูวินยูชนจะรู้ด้วยตัวเองว่าอะไรถูกอะไรผิดเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองได้ใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่หรอกอย่างคนเคยแต่เห็นแก่ตัวก็วละอายใจที่จะเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวลง เคยทุ่ศีลไม่มีศีลก็เริ่มจะมีศีลทำผิดศีลก็อายใจไม่เคยมีความสุขมีความสงบมาปฏิบัติก็เริ่มมีความสุขมีความสงบขึ้นมามีสมาธิมีความสุขมีความสงบไม่เคยเดินปัญญาไม่เคยรู้กายรู้ใจของตัวเองเลยก็ได้รู้มากขึ้นมากขึ้นเห็นความจริงมากขึ้นในกายในใจพวกเราสังเกตไมอย่างพวกเรามาหัดดูจิตแรกรรู้สึกมีความสุขรู้สึกไหม ฝึกไปฝึกไปทำไมเห็นแต่ทุกข์ตรงที่ฝึกไปเรามีความสุขขึ้นมานะเพราะจิตเรามีเรามีสติรู้ทันจิตจิตจะตั้งมั่นจิตได้สมาธิมีความสุขขึ้นมาแต่สมาธิของเราเป็นคณิกะความสุขของเราจะเป็นแวบๆบแบบรู้สึกไหมเนื่อได้สมาธินะที่ดูจิตดูจิตอยูนะ่ถ้าจากนั้นเราก็พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาลจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัว สติระลึกรู้กายบ้างรู้เวทนาบ้างรู้จิตบ้างแล้วแต่เขาจะระลึกเพราะสติเป็นอนัตตาพอระรลึกมากเข้ามากเข้าเห็นมิแต่ทุกข์เอ้ไก่นี้ก็ทุกข์นะเวทนาเขาเ ก, กิดแล้วก็ดับความสุขก็ไม่ใช่ของจริงความสุขเป็นภาพลวงตานะั่นก็คือช่วงที่ทุกข์น้อยๆก็รู้สึกสุขอะไรเงี้ยนะมีแต่ทุกข์นั่นแหละ กุศลอกุศลทั้งหลายมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยจิตเองก็เกิดดับไปตลอดเลยเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้วันนี้ทําให้ดีแล้วแล้วพรุ่งนี้ฟุ้งอีกละอย่างแต่ละวันแต่ละวันนะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยนี่ขั้นในการจเจริญปัญญานะ่าจะเห็นทุกนะงั้นบางคนบอกว่าเออภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งทําไมเห็นแต่ทุกยืนเดินนั่งนอนมีแต่ทุกนะ จะพลิกซ้ายพลิกขวาก็ทุกทําอะไรก็ทุกหมดเลยเพราะว่าจิตเราเดินปัญญาถ้าพนานาแล้วมีแต่สุขสุขสุขนะไปติดสมถะแล้วนะงั้นเบื้องต้นเนี่ยหัดดูทีแรกจิตตั้งมั่นขึ้นมาแวบมีความสุขอันนี้นได้สมาธนะิถ้าไปสติะระลึกรู้กายะระลึกรู้ใจมากเข้ามากเข้าจะเห็นแต่ทุกข์แต่ยิ่งเห็นทุกข์เท่าไหร่นะยิ่งมีความสุขเท่านั้นนี่เป็นปฏิภาคกลับกันนะเป็นเรื่องอัศจรรย์ ยิ่งเห็นขันเป็นทุกข์นะใจยิ่งมีความสุขมีความสงบมากขึ้นมากขึ้นใจห่างโลกออกไปเรื่อยๆยิ่งฝึกเรายิ่งห่างโลกไปเรื่อยๆรู้สึกไหมแต่ไม่ใช่หลงโลกลืมโลกโลกแตกอะไรงี้ยไม่รู้เรื่องนะสติแตกอะไรเงไม่ใช่นะนจะเห็นโลกก็อยู่ส่วนโลกนะใจก็อยู่ส่วนใจโลกกับธรรมไม่เกี่ยวกันคนะ่อยแยกออกไปขันนึกแยกไปขันนึกเป็นตัวโลกนะใจที่มันพ้นออกมามก็มาหาธรรมะ เนี่ยค่อยฝึกค่อยฝึกไปนะโอ้สุดท้ายนัมีความสุขที่สุดเลยหลวงปู่เทศสอนว่าสิ้นโลกเหลือธรรมนะโอ้สอนดีจริงจริงสิ้นโลกเหลือธรรมเนี่ยท่านเขียนสิ้นโลกเหลือธรรมนัน เ, นน เ, รรมนเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายของท่า น, นเขียนใต้เขียนมานะแล้วก็ท่านอยากปรับอีกหน่อยท่านก็มาปรับใหม่เป็นสิ้นโลกเหลือธรรมฉบับที่สองเวอร์ชั่น2มีของท่านนะมีสองฉบับนะสิ้นโลกเหลือธรรมดูแล้วมันคนละสำนวนกันนะ ไม่เหมือนกันหรอกลราพ่อนานะจะมนหนึ่งเป็นสิ้นโลกเหลือทําจริงๆมีแต่ความสุขล้วนๆเลยธรรมะให้ความสุขนะโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ต้องฝึกเอาเวลาฝึกธรรมะ ก, ก็ตั้งอกตั้งใจดูของเราไปอย่าไปยุ่งคนอื่นเขานะบางคนยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งนะมันสร้างปัญหาให้หลวงพ่อสร้างศัตรูให้หลวงพ่อมากมากลูกศิษย์เหล่านี้แหละ <laughs> ทุกวันนี้นะ้าหลวงพ่อเอบียนหัวมากเลยใครๆมัก็อ้างลูกศิษย์หลวงพ่อ อ้างทั้งนั้นเลยทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยความรู้ความเข้าใจก็ยังไม่ค่อยจะมีคนเที่ยวร่อนๆไปที่นู้นที่นี่นะทํำไมไปยุ่งคนอื่นมาดูตัวเองนี้ยดูกายดูใจนี้ยลูกศิษย์หลวงพ่ออย่าไปยุ่งที่อื่นนะดูกายดูใจของตัวเองเรียนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งที่อื่นบางทีไปถามครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันหรอกท่านดีของท่านนะท่านดีของท่านแต่ท่านดีแบบของท่านอะไม่มีใครหรอกปฏิบัติเหมือนใคร พวกเราที่มาเรียนกับหลวงพ่อรู้สึกไหมแต่ละคนก็ปฏิบัติไม่เหมือนกันรู้สึกไหมเวลาคนอื่นส่งกันบ้านหน้าอิจฉาเพราะเราเห็นไม่เห็นเป็นอย่างเขาเลยเ อ, อพอเราส่งบ้างเขาก็อิจฉาเขาเขาก็ไม่เหมือนเราจริงๆไม่มีใครเหมือนใครหรอกนะงั้นอย่างครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ท่านก็ดีของท่านนะเราจะไปดูว่าไม่เหมือนหลวงพ่อแล้วก็ใช้ไม่ได้นะั่นโง่ที่สุดเลยนะโง่มากๆเลยใครมาบอกว่าหลวงพ่อดีอ่ะคิดเอาเองใช่ไหมคิดเอาเอง เมืครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะพระองค์คนไปบอกว่าท่านเป็นพระละหันเหรอท่านบอกเป็นเหมือนกันแต่เป็นพระละหันที่หนังสือพิมพ์โลกทิพตั้งให้เนี่ัญหาเรื่องนะเพราะฉะนั้นทำอะไรนะอย่าลืมเราเรียนธรรมะเนี่ยเพื่อลดละกิเลสของเราเองเราเรียนเรื่องตัวของเราเองนะเรียนให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจเรียนอยู่อย่างนี้แหละซ้ําไปซ้ามา จนใจมันเห็นจริงใจมันจะคลายออกมันถอยออกนะเคลื่อนเคลื่อนถอยไม่ยึดกายไม่ยึดใจนะเป็นอิสระจากกายจากใจไม่ยึดถืออะไรในโลกกระทั่งกายกับใจยังไม่ยึดน้ำยึดอะไรอะ่ะทุกอย่างที่เรายึดเนี่เพราะมันเนื่องด้วยกายด้วยใจอย่างอนี่เมีย เ, เราไอ้นี่ลูกเราเห้นไหมก็เนื่องด้วยกายด้วยใจเนี้ไอ้นี่บ้านของเร า, าก็เนื่องด้วยกายด้วยใจนี้งั้นตั้งใจแบบนะเรียนเ อ, เอาเอาธรรมะของจริงเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเองให้ได้ งันอย่าอย่าสร้างภาระให้หลวงพ่อมากนะตั้งใจเรียนสร้างภาระให้หลวงพ่อเยอะเหลือเกินเลยพวกพูนไหวเนี่ยต่อไปตรวจกันบ้านเวลาตรวจกันบ้านเนี่ยนะเป็นการทดสอบเรานะว่าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแม่นหรือเปล่าหรือคลาดเคลื่อนสิ่งที่คลาดเคลื่อนนะนนะถ้าไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้ส่วนใหญ่ก็มีแค่นั้นนะไม่ก็ไปเกิดตื้นไปติดอยู่ในภาวะใดอันหนึ่งซึ่งเป็นผลจากการเพง่ง เช่นไปติดในความว่างนะงั้นมันเป็นแค่การทดสอบว่าเรายังเดินอยู่ในทางสายกลางไหมสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองหรือสุดโต่งไปในข้างหลงตามกิเลสไหมนะนี่อันหนึ่งอีกอันนึงก็คือสภาวะที่เรารู้เราเห็นนี่ถูกต้องไหมเพราะฉั้นะอย่ามาถามหลวงพ่อนะว่าจิตหนูเป็นยังไงถ้าถามว่าจิตหนูเป็นยังไงเนี่ยตัวเองไม่ได้บอกเลยว่าตัวเห็นสภาวะยังไงไม่มีประโยชน์อะไรเลยทาถามชนิดนี้เลวไหลที่สุดเลยทาถาม ท, ที่ไม่มีความรับผิดชอบนะ อย่าถามนะหนูเป็นยังไงอะไรเงี้ยเฉิมมากเลยส่วนมากผู้หญิงเพราะเห็นไม่ใช้ควาว่าหนูนะบางคนงากเลยนะอย่างหนูเลยนะหนูอย่างนั้นหนูอ่าเดื อ, รอดร้อนเดือดรื้อร้อนใจถ้าเรารู้เราเห็นสภาวะอะไรบอกมาว่าสภาวะที่เห็นอยู่เนี้ยตอนเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะถูกต้องมมหรือไม่แหงอะไรเงี้ย อี่นี่เป็นการทดสอบว่าเราเห็นสภาวะไหมนี่อันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งพอรู้สภาวะแล้วเนี่ยรู้ถูกต้องไหมเผลอไปไหมเพ่งไปไหมนะก็เดินอย่างนี้นะนั้นคำถามควรจะเป็นคำถามที่เกิดประโยชน์คำถามที่ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องถามคำถามที่ไม่มีประโยชน์อีกันนะหนูมีจริตยังไงหรือผมมีจริตยังไงนี่เริ่มมีผู้ชายถามบ้างจริตยังไงสอนหลักให้แล้วนะเป็นพวบโูบมาก รักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็ให้ดู ก, กายไปเพราะกายมันจะสอนว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะพวกคิดมากวันหนึ่งก็คิดทั้งวันเลยวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์วิภาคนะจนสุดท้ายวิกลชริดนะสารพัดวิวิ ว, ว, วิพวกนี้ให้ดูจิตพวกดูจิตนี่คือพวกช่างชิดถึงได้เกิดเรื่องมา ก, ม า, กมายไหมพวกที่ทําสมาธิไม่ค่อยมีเรื่องหรอกวันหนึ่งไปยุ่งกับใครอย่างอยู่อย่างี้ ไม่มีเรื่องไม่เดือดร้อนครูบาอาจารย์ก็นั่งของมันอยู่งนะั้นแหะส่วนไอ้พวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากเนี่ยแหะมันมาเรียนที่นี่มานะเรียนที่นี่เยอะมากพวกนี้แหละเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะเชี่ยวไปบู่นวายที่อื่นนะไม่ดูดตัวเองนี่แหละจุดอ่อนของพวกที่ปัญญามากพวกปัญญามากนะฟุ้งซ่านจำไว้นะฟุ้งซ่านนั้นเราจะต้องพยายามควบคุมตัวเองให้ได้ไม่ใช่ฟุ้งไปเรื่อยๆอยากคุยก็คุยไปเรื่อยๆ พยายามทำความสงบเข้ามาบ้างแต่ไม่ใช่สงบจน ก, กระทั่งซึมก็คือสงบพอมีเรี่ยวมีแรงมาเดินปัญญาต่อมารู้กายมารู้ใจมาแยกธาตุแยกขันไปด้วยนะในนั้นถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาส่วนพวกศรัทธามากก็จะงมไงพวกสมาธิมากมันก็ช้านะ่ะซึมๆอยู่นะั้นแหละติดในความสุขความสบายไปพวกความเพียรมากก็เคร่งเครียดนะีนะ่ยพวกปัญญามากก็ฟุ้งซ่านนะนี่มันมีจุดอ่อนทั้งนั้นอนะ่ะแต่ละคน งนะนั้นมีสติบ่อยๆนะรู้ไปอา้าวคงไม่ว่าจิตหนูเป็นไงนะ <c oughs> นมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะคือที่ปฏิบัติที่อยู่ที่นี่มาคะ่ะก็จะคือถ้าจะให้ดูจิตเลยจะรู้สึกว่าดูยากเพราะว่าจะค่อนข้างฟงุ้งก็เลยจะพยายามทาสมาธิดยการเดินจงกรมแล้วก็ตรงนี้จะรู้สึกว่าจิตรวมได้ดีกว่าดีสินะเดินจงกรมไป แลจิตเคลื่อนไปก็รู้ทันเดินจงกรมไปจิตเคลื่อนไปก็รู้ทันจิตก็จะสงบเข้ามาเรียกว่าเรามีวิหารธรรมไว้อันหนึ่งนะพวกเราหลวงพ่อคุยรวมๆเลยทุกคนจะได้ทําได้มีวิหารธรรมไว้อันหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปนะเดินจงกรมไปจิตไหลไปเพ่งกายก็รู้จิตไหลไปคิตก็รู้อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้นะนั่งพุทโธพุทโธไปนะหรือเดินพุทโธไปก็ได้พุทโธไปเรื่อยพุทโธแล้วจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตลงไปที่อื่นก็รู้นะ หายใจไปก็ได้หายใจทั้งวันนะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปแล้วจิตมันเพ่งลมหายใจก็รู้จิตนีไปก็รู้ในสุดจิตก็สงบนะจิตถ้าไม่แส่สายออกไปจิตก็สงบนะเมื่อสงบเข้ามาเพราะนั้นเรามีสติเรามีวิหารธรรมไว้อันหนึง่งนะก็จะช่วยให้ใจมันตั้งมัน่นนะไปเดินเราก็ได้ดีแล้วทีนี้เราตอนที่นั่งสมาธิค่ะจะมีสภาวะเกิดขึ้นนะคะหลวงพ่ อ, อก็คือ จะตอนแรกที่จะรู้สึกว่าดูท้องที่พองขึ้นแล้วก็ยุบตามที่เราหายใจแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกว่าจะมันจะแยกกันนะคะระหว่างท้องที่ยุบกับพองแล้วทีนี้ก็เราจะมีจิตเหมือนว่าตามดูเข้าไปเหมือนเหมือนรถที่วิ่งวิ่งผต่อกันไปแต่ว่าจะว่ามีช่องว่าง อ, อ, อยู่ค่ะจะโดดตรงไปกลางถานนก็แล้วกันค่ ะ, ะทีนี้มันจะรู้สึกว่ามันบีบคันตรงนั้นนะคะที่เราเห็นจิตมันตามกายที่มันเคลื่อนไหวได้เองเนี่แหละใจต้องตั้งมั่น ถ้าใจเราไม่ตั้งมัน่นนะเราถลําลงไปอยู่ที่ท้องตัวนี้จะเครียดได้นะถ้าใจเราอยู่ห่างๆเนี้ยสบายๆมันจะเห็นเหมือนคนอื่นพองยุบนะไม่ใช่เราฟองยุบนะจะเห็นว่ากายมันทองกายมันยุบกายนี้ไม่ใช่เราหรอกจะเห็นอย่างเนี้น <S 1> <S 1> งงนะอย่างนี้ที่เราที่เรามองเห็นว่าเห็นจิตที่วิ่งตามกายที่เคลื่อนไหลนี่รือถูกคะ่ะถูกที่รู้ทันว่าจิตถลําลงไปนะตัวนั้นถูกเั้นจิตถลําลงไปให้รู้ทันจิต ท, ที่จะตั้งมั่นขึ้นมา จิตไม่ถลำตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูคราวนี้จะเห็นทันทีเลยกายไม่ใช่เราแลนะถ้าเมื่อไหร่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะสติระลึกรู้สิ่งใดสิ่งนั้นจะไม่ใช่เราเลยนะไปทำอีกไปซึมไปนิดหนึ่งนะรู้สึกไหมอย่าไปกดไปปล่อยให้ล่าเริงไหมชาวพุทธต้องล่าเริงนะแต่ไม่ใช่กระดีกระดาะสงบนะแต่ล่าเริงไม่ใช่สงบง่อย ไม่ใช่ร่าเริงแบบไร้ความสงบนะตามงานพิธีการหลวงพ่อค่ะรู้สึกที่ผ่านมาสองวันจะดีกว่าวันนี้วันนี้ค่อนข้างฟุ้งนะคะอืมวันนี้ อ, อยากกลับบ้านแล้วก็จะกราบลาจะมากราบลาหลวงพอ่อก็ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีอากาศโอกาสมาอยู่วัดนะคะโอ้วัดมีเยอะแยะเดี๋ยวจะมีมอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะอยู่วัด <laughs> <laughs> เจอทุกกายทุกไลน์นะคราวนี้ได้อยู่นานเลยก็จะตามรู้ตามตามดูอยู่ค่ะแล้วก็จะไม่ขี้เกียจดีแล้วก็จะไม่ประมาทค่ะโอ้สาธุเลยอย่างนี้ชอบมากอนี่คนนี้แหละที่ว่าเป็นมะเร็งอ่ะนี่ว่าจะตายแล้วหลวงพ่อบเอาร่างกายนัทถวายเป็นพุทธบูชาไปเลยนี่อยู่มาตั้งปีกว่าแล้วยังไม่ตายเลยถ้าทางแข็กแรงกว่าเก่า วันนี้ฟุ้งมากจังค่ะเพราะว่าไม่อยากกลั บ, ลบแล้วก็คิดไปคิดมาอีกสิบปีก็คงคงไม่มีโอกาสนั้นก็เลยจะมากราบเรียนหลวงพ่อว่าะจะสัญญากับหลวงพ่อว่าจะปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนทุกอย่างแล้วก็จะยึดมั่นในพรพธรรมสั่งสอนของหลวงพ่อและของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าขึ้นก่อนน ะ, ะอย่ายอาสาวกใหญ่กว่าพระพุทธเจ้านะ จะทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าและของหล่ออย่างนี้ที่ฟังแล้วรื่นหูพวกเราต้องตั้งหลักนะเราสาวกพระพุทธเจ้านะไม่ใช่สาวกอาจารย์อาจารย์เป็นเหมือนพี่เลี้ยงมาถ่ายทอดให้เท่านั้นเองแต่ขอถวายการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านอาจารย์ประโมทูประโมทูแหมอย่างนี้ชื่นใจไปทําต่อนะไปกรรมการค่ะ อ, อยู่ที่วัดเนี่ยไม่มีอะไรกระทบแรงๆค่ะเพราะฉะนั้นก็จะตามรู้ไกลรู้ใจไปเห็นแต่ความหลงส่วนใหญ่แล้วก็จะหลงอยู่บ่อยมากหลงนานไหมอืมก็ระยะหนึ่งพอรู้สึกตัวก็กลับมาถึงอีกค่ะคือเวลาหลงเนี่ยนะถ้าเรามีเครื่องอยู่มีวิหารธรรมเนี่ยจะไม่หลงนานแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่มันจะหลงนานเพราะฉะั้นการที่เรามีวิาหารธรรมไว้อันหนึง่งมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งอะไรเงีย้ยจะช่วย เช่นเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธนะพอจิตทิ้งพุทธโธไปเราก็รู้ว่าหลงไปละหรือเราอยู่กับลมหายใจพอจิตทิ้งลมหายใจไปเราก็รู้ว่าหลงไปละพอรู้บ่อยๆตอนมาจิตไหลไปเนี่ยรู้เองเลยนะมันจะรู้วอัตโนมัติมันจะเร็วค่อยฝึกอนะ่ะค่ะนี้อย่างเมื่อวานนี้ยกมาอย่างนี้เมื่อวานนี้ค่ะมีเจ็บ หลังก็คอยตามดูแล้วก็อยากรู้ว่าไม่ได้ไม่ได้ตามดูว่าจะเป็นยังไงก็ตามดูอยู่ห่างๆสักพักหนึ่งมันก็หายไปใจก็ไปคิดอย่างอื่นรู้สึกไหมร่างกายมันอยู่ห่างๆเนี้ยดูออกไหมยังนิดหน่อยค่ะรู้สึกไม่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูไหมดูได้ไหมอันนี้ยังดูไม่เห็นไม่เห็นก็ดูไปเรื่อยๆนะค่ะแต่ที่เรียนรู้อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดทําอะไรรีบๆเนี่ยจะตามดูไกายดูใจไม่ได้ใช่สิมันรีบมันรู้ดบรู้หลงแล้วหลงไปค่ะ นะแล้วถ้ามีอะไรมากระทบกายแรงๆเนี่ยคืออย่างนปฏิบัติอยู่แล้วมาแรงตอมเยอะๆเนี่ยจะรู้แล้วว่าลาคาญแต่พอรู้ปุ๊บมือปัดทันทีเนี่ยยังไม่ทันได้เห็นเลยก็ไปนะไม่เป็นไรอย่าปัดให้มันตายกันแล้วกันแต่มาแรงวันนี้ไวปัดไม่ถูกอะ่ะมันเป็นแมงบีแมงบีน่ากลัวนะน่ากลัวกว่าแมงวันอีกเวลากัดเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่กินเนื้อนะ น้นถ้ามีแผลนิดหนึ่งมันจะแทแทแท้แ ท, แทเข้าไปแล้วก็จะเป็นแผลติดเชื้อลามไปเรื่อยๆอ้าวต่อไปเชิญยกมือเชิญยกป้ายเนี่ยยกป้ายเอางี้ก่อนนะขอเอางี้กันยกเยอะ ๆ, ๆหรือเพ้าเวียนหัวใครที่ยังไม่เคยส่งเงินบ้านเลยแล้วอยากส่งมีไหมเบอร์4ี่สิเบอร์สี่สิบเชิญกลาบนมันสาการหลวงพ่อค่ะ คือหนูมาส่งกันบ้างในครั้งแรกค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาบ้างแล้วก็ปฏิบัติมาอยู่เรื่อยๆค่ะคือมีดูเป็นอยู่สองอย่างก็คืออย่างแรกก็คือบางทีเห็นจิตหุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือเหมือนมีลมมันวืดๆอยู่ในตัวค่ ะ, อ, ะอันนี้หนูดูถูกหรือเปล่าค่ะถูกสิถ้ามันมีจริงๆดูเราเห็นอย่างนั้นก็ถูกสิเราะนั้นต่อไปเนื่องไปดูจิตโกรธขึ้นมา ก, ก็รู้ทันนะ จิตหายโกรธก็รู้ทันนะดูจิตไปเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็เฉยเเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็เฉย ๆ, ด, ย ด, ด, ยฉยๆดูอย่างนี้บ่อยๆนะส่วนอะไรจะบู๊บบ้าบ้ก็แค่รู้เท่านั้นนี่พอรู้แล้วเกิดสงสัยว่ามันคืออะไรรู้ว่าสงสัยนะรู้ ร, รู้ทันใจตัวเองแบบนี้เรื่อยๆค่ะแล้วก็มีอีกคำถามนึ่งค่ะคือว่าเวลาคเลาครียดเวลาทางานหรือคิดมากค่ะเครียดเครียด ถ้าเครียดเนี่ยแปลว่าแข็งเวลาเครียดเนะเวลาเครียดแล้วว่าเหมือนจิตจะเหมือนจะเข้าไปอยู่ในความเครียดแล้วก็ออกมาได้แป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าไปอีกแล้วเหมือนมันจะเหนื่อยเหนื่อยอะอันนี้จะมีวิธียังไงอะอย่าอยากออกมาจิตเข้าไปรวมอยู่กับความเครียดรู้ว่าจิตรวมอยู่ความเครียดอยากหลุดออกมารู้ว่าอยากนี่ถึงจะเรียกว่ารู้ทันจิต เราไม่มีหน้าที่ไปดึงจิตให้หลุดออกจากอารมณ์นะจิตเข้าไปเกาะอยู่ก็รู้จิตแยกออกมาก็รู้สังเกตไหมเดี๋ยวก็เกาะเดี๋ยวก็แยกสั่งไม่ได้หรอกนะอย่าไปสั่งมันค่อยฝึกไปต่อไปมันไม่เข้าไปหรอกถ้าจิตฉลาดแล้วมันไม่เข้าไปจิตเข้าไปคลุกอารมณ์เพราะมันยังโง่ถ้าต่อไปเราฝึกมากเข้ามากเข้าจิตฉลาดจิตรู้ว่าถ้ามีความอยากเมื่อไร่ถ้ามีความยึดเมื่อไร่จิตจะทุกข์จิตก็เลยไม่อยากไม่ยึดหน้าจิตก็ไม่เข้าไปคลุกกับอารมณ์อีก ตางคนต่างอยู่ค่อยฝึกไปแล้วมันจะดีขึ้นนะ<อ>ใช้ไดข้ขอบคุณค่ะเบอร์165มิถุ น, นั้นลูกมากราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะเพราะว่าลูกได้ฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือของหลวงพ่อมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เกิดความรู้สึกเบาโลง่งแล้วก็มีความสุขจ้าค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตในประจำใช้ชีวิตประจําวันใช้ลมหายใจเป็นวิรหารละท่าใช้ได้สิดี จะกราบปฏิบัติบูชาไปตลอดชีวิตจ้าค่สะสาธุนะบูชาพระพุทธเจ้าอย่ารักอาจารย์มากกว่าพระพุทธเจ้านะไม่ดีเลยนะอย่างหลวงพ่อนะไม่ว่าครูบาอาจารย์จะสอนอะไรหนะลวงพ่อจะต้องย้อนไปดูก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะเราเคารพครูบาอาจารย์นะบางทีหลวงพ่อก็ดูเอ๊ะทำไมมีอยู่ช่วงหนึ่งนะภาวนาเราเห็นว่าตรงนี้ทํางานตลอดกิเลสก็ผุดขึ้นตรงนี้นี่มันทุกข์นะ ทุกมันอยู่ที่นี่จิตมันเป็นคนดูเหมือนมันอยู่ข้างบนหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตจะดูตัวนี้เหรอเพราะพุทธเจ้าให้รู้ทุกจะรู้ตัวนี้เหรอแล้วมันอันไหนแ น, น่ความจริงทั้งหมดเนี่ยตัวทุกไม่ใช่เอาตัวใดตัวหนึ่งสุดท้ายก็คือท่านสอนตรงกันนั่นแหละแต่ว่าบางทีความรู้ความเข้าใจเรายัางไม่ถึงเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์สอนแล้วเชื่อร้อยซนตะต้องมาดูว่าพระพุทธเจ้าว่าท่านว่าอย่างไง เราลองลองมือทําดูแล้วลองมือทำตีไรนะเพราะว่าที่ท่านสอนถูกทุกทีเลยแต่บางทีโดยภาษานะไม่ตรงกันเจ้าค่ะดลีลูกทราบว่าขณะเนี้ยปัญญาตัวจริงยังไม่เกิดแต่ลูกมีสติรับรู้ได้ใน ใ, ใ, ในบางครั้งเจ้าค่ะใช่ีสแล้วก็จะเพียรพยายามต่อไปเจ้านะค่ะดีมีสติแล้วมีใจที่ตั้งมั่นแล้วรู้สึกไหมมีใจตั้งมั่นมีสตินะเนี่ยดี เพราะเรามีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่มันทำให้จิตเราตั้งมั่นเข้มแข็งนะถ้าไม่มีเครื่องอยู่เลยจิตจะอ่อนแอไหลเร็ ว, ร ว, ร ว, ร ว, รวๆไหลๆไปนะอีกทำถูกต้องแลร้วยเก้าสิบสี่ห้าสิบสี่อ่ะเขารกาศส่งกันบ้านหลวงพ่อครับผ ม, มวันนี้รู้สึกจิตมันจะมีโมหะเยอะครับแล้วก็ เท่าที่สังเกตการภาวนาช่วงช่วงหลังๆมันเนี่ยรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวได้ได้บ่อยแล้วก็ชัดกว่าที่ผ่านมาแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงว่าถ้าเกิดว่าผมตัดเรื่องไร้สาระออกไปเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะภาวนาดีมากๆดี ด, ดนะเรื่องไร้สาระไม่ดีหรอกครับอะไรบ้างที่เป็นเรื่องไร้สาระเรื่องการเมือง <laughs> นะเรื่องศาสนาะเรื่องนี้คุยแล้วตีไรทีไรตีกันทุกทีสองเรื่องเนี้นะงั้นห่างๆไหมดูของเราไป แต่เรื่องทํามาหากินเรื่องเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะเป็นเรื่องที่มีสาระแต่เป็นสาระทางโลกเราก็ต้องทําแล้วก็ ม, ม, มีมีบางครั้งที่อย่างอย่างเราพูดพูดมานเนี่ยปกติเวลาพูดมันเหมือนจะพูดออกมาจากความเป็นตัวเราอะครับแล้ว<ด>ใน<ด>หลายๆครั้งที่มีมีอยู่สองาครั้งที่มันพูดออกมาแล้วมันพูดออกมาจากความไม่มีตัวเราเอ อ, อนั่นแหละมีคนหนึ่งนะชื่อคุณตังทริน บอกเขาเท่าที่เขาสังเกตเนี่ยพระอรหันต์เนี่ ย, นนยคิดออกมาจากความว่างไม่มีเราพูดออกมาจากว่างๆแล้วก็สลายไปในความว่างดีที่เห็นดังนั้นความตอนนี้อีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกดีก็คือความดิ้นรนที่จะได้มักได้ผลเนี่ยมันมันน้อยลงครับนั่นแหละมันฉลาดขึ้นคเพราะถึงอยากได้มันก็ไม่ได้มันไม่ได้เพราะอยากมันได้เพราะหมดหมดอยา ก, ากนะฮะขอบคุณครับดีนะใช่ได้เนี่ยหลวงพ่อใครคุยด้วยดีหมดเลยเนี่ย ก็รู้สึกมันดีจริงๆอะแต่ถ้านานมาแล้วหลายเดือนแล้วก็เหมือนเดิมนะถือว่าไม่ดีละเมื่อห้าสิบสี่ครับนวัต ก, การหลองพ่อครับก็ส่งกันบ้านเหมือนกันครับก็เมื่อกี้ก็รู้สึกอิจฉาเพื่อนครับอืมแต่ว่ามันขึ้นวันเดียวครับเห็นกันชัดมากก็มีแต่อิจชฉาเฉยๆหรือมีเราอิจฉาด้วยเราอิจฉาด้ว ย, รวยครับมีเราอิจฉาด้วยดีที่เห็นอ่ะ คือหลังจากที่มาวัดครั้งที่แล้วครับกลับไปก็เหมือนกับจิตมันเสื่อมลงไปครับมันรู้ตัวได้ไม่ไม่เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่อยู่ที่ตอนที่มาที่วัดนะครับก็พยายามดูไปครับพอดีได้คำแนะน า, นาจากอาจารย์สุรวัตรว่ามันมันเดี๋ยวมันก็พลิกกลับมาเจริญนะครับเ อ, อนะเราไม่ได้พอนาะเอาเจริญอย่างเดียวหรอกแต่เราพอวนาให้เห็นว่ามันมิรคงที่หรอก เจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมในสุดใจเป็นกลางตัวที่ดีคือตัวเป็นกลางแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็เลยเกิดเหมือนกังวล น, นะครับว่าว่าไม่รู้ว่ามันปฏิบัติอยู่หรือเปล่าหรือมันกังวลรู้ว่ากังวลสงสัยรู้ว่าสงสัยถ้ากังวลรู้ว่ากังวลสงสัยรู้ว่าสงสัยขณะนั้นปฏิบัติอยู่เมื่อไหร่รู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นปฏิบัติอยู่ครับให้หลวงพ่อ อยากเรารู้ไหมอยากเรารู้ครับเออน่าเลยเหลืเงียบไปเลยครับที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วไปฝึกอีกมันเจริญแล้วมันก็เสื่อมธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนั้นแหละสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็เสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ไปเอาดีตลอดนะร78ดขอบคุณครับกับนรรมศการหลวงพ่อครับครั้งที่แล้วมาส่งกันบ้านแล้วรายงานหลวงพ่อว่า ตอนเดินตอนวิ่งตั้งใจดูเท้ากระทบมากเกินไปมันเหมือนเพ่งคราวนี้กลับไปก็พยายามรู้สึกตัวแบบผ่อนคลายขึ้นแต่ไม่มั่นใจว่ามันคือการเผลอเยอะไปหรือเปล่าเวลาที่เราไม่จงใจไม่เผลอง่ายนะแต่ว่าดีกว่าเพ่งเอาไว้ตลอดเวลารู้สึกปล่าจิตตอ น, นี้สบายขึ้นจิตปลงโล่งเบาขึ้นแต่เผลอได้นานขึ้นนะแล้นเราอยู่กับเครื่องอยู่สักงานอยู่กับพุทโธก็ได้ นะไม่มีอะไรทําหรือบริกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะพุโทโธธรรมโมสังโฆอะไรก็ได้แล้วใจเราหนีไปเรารู้ใจเราหนีไปเรารู้ทุกวันเนี้เราฝึกแบบนี้แบ่งเวลาไว้ช่วงหนึ่งเอาไว้ทําอย่างนี้ก็ยังดีนะหรือไหว้พระสวดมนต์แล้วใจไหลไปเรารู้ใจไหลเรารู้ไปเดินจงกรมแล้วใจไหลไปเรารู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆมันจะทําให้ไม่หลงนานนะดีกว่าไปเพ่งทื่อๆไว้เพ่งทื่อๆไม่มีปัญญาหรอกครับแล้วก็ขออีกคำถามหนึ่งครับคือ ก่อนนอนจะทําในรูปแบบคือจะเดินจงกรมหรืออะไรแล้วก็สวดมนต์แต่คือก่อนทํามันมักจะแฝงไว้ด้วยความอยากที่จะทำนั่นแหละให้รู้ทันตั้งแต่มีความอยากแล้วนะให้รู้ทันใจที่อยากพอรู้ทันแล้วจะทํำไหมต้องทําทําครับบางคนโง่นะเห็นจิตอยากเดินจงกรมไม่สนองกิเลสนอน <laughs> นั่นแหละมันสนองกิเลสละนะอย่าหลงกลมันนะทั้งสามหนุ่มนี่แหละดีขึ้นนะทั้งสามคนเลย คุณรู้สึกไหมจิตมันสบายขึ้นเยอะแยะดีไว้ไพีเ่งซึมกระถือไว้คร<อ>ับเบอร์สิบขอบคุณมากกราบนบมัสการค่ะส่งกันบ้านกันสุดท้ายเมื่อประกรันสังคมน้่ น, นะคะแล้วก็ลมลุกคลานมากเลยค่ะแล้วก็ก่อนหน้าชิมาวัดเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองติดสภาวะอยู่แต่ไม่แน่ใจะคะ่ะว่าเป็นสมถะหรือว่าเป็นมูกระดาษซึ่งมันจะเฉยๆไปหมดเลยอะคะ่ะ แล้วก็พอก่อนเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมาได้ฟังสีดีแผนล่าสุดได้ฟังหลวงพ่อตอบคนนึงซึ่งสภาว่าคล้ายๆกันมันก็ค่อยๆคลายออกมาค่ะวันนี้ก็รู้สึกโป่งโล่งเบาขึ้นที่ทราบว่าเห็นถูกไหมคะถูกแล้วค่ะสังเกตไหมไม่เจอกันนานเท่าไหร่เนี่ยผหเตือนได้ค่ะสังเกตไหมจิตเราเปลี่ยนไปแล้วค่ะดีเห็นมันรู้สึกเห็นอะไรมันเบื่อๆเฉยๆไปนั่นแหละเขารู้ตามความเป็นจริงชึงเบื่อหน่ายนะ เบื่อหนายจึงใครายกำหนัดคือกลความผูกพันยึดถือใครายกำหนัดจึงหลุดพ้นอันนี้คือถือเป็นเฉยที่จริงใช่ไหมคะไม่ใช่เฉยแบบโลภโลภแบบใช่แต่ยังไม่ร้อนะบางทียังมีโทสะเจือเป็นเายอด้วยคะรู้ไปแล้วก็บางทีเวลาอดนอนแล้วมันมักจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะชัดๆเวลามองไม่ชัดนะอย่างอดนอนหรือเวลาไม่สบายเวลาโดนกินยาอะไรเข้าไปเบลอเบเวลาใกล้จะตายแล้วเบลอเลอเนี่ย วิธีดูดูยังไงไม่ใช่ดูให้ชัดนะไม่ใช่ไปฝืนเพื่อทําให้ชัดนะรู้ว่าไม่ชัดใจอยากชัดรู้ว่าอยากเนี่ยเรียกว่าเรายัางรู้อยู่นะเฉะนั้นมันจะชัดก็ได้มันจะไม่ชัดก็ได้แต่เรารู้ทันทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางตัวนี้ใช้ได้เวลาพี่พวกเราใกล้จะตายบางทีเบลอนะเบร์ไม่รู้เรื่องซึมกระตือไปแล้วเนี่ยถ้าจะไปหวังให้ปิ้งใสปิ้งปิ้งอยู่มันไม่ปิ้งละให้รู้สภาวะอย่างที่มันเป็นเนี่ยรู้ว่ากำลังเนี่ย รู้ได้ใจที่เป็นกลางไหมนะจิตยมยังแล้วยังออกนอกอยู่คันนี้ยังเข้ามาได้บ้างไหมคะเข้ามานะแต่ว่ายังเพ่งอยู่ค่ะยังติดยังรู้ตัวว่ายังติดอยู่บางทีไปจ้องรอจ้องอย่ารอดูนะก่อนดูไม่รอดูให้สภาวะเกิดแล้วค่อยรู้ระหว่างรู้อย่าอยากรู้ให้ชัดแล้วถลําลงไปจ้องดูห่างๆรู้แล้วยินดีให้รู้ทันยินราให้รู้ทันคนจะฝึกสมถะเพิ่มไหมคะหรือว่าสมถะรมเพื่อพักผ่อนทุกวันทํำไป แต่ไม่ได้ทําเยอะทําพอให้ใจมีแรงถ้าไม่มีสมถะใจจะไม่มีกําลังหรอกนะขอบคุณค่ะแต่ถ้าถามหลวงพ่อเมื่อ6เดือนก่อนหลวงพ่อจะบอกให้หยุดสมถะไว้ก่อนนะเพราะอะไรเพราะติดเพ่งอย่างรุนแรงนะเราต้องคลายการเพ่งคลายการเพ่งแล้วเริ่มเห็นสภาวะทํางานแล้วอันนี้เราก็ทําสมถะเพื่อพักผ่อนเป็นคราวๆนะขอบคุณค่ะเบอร์สี่บางคนได้ยินหลวงพ่อพูดประโยคหนึ่งเอาไปแล้วหลวงพ่อประมุ่บอกให้เลิกทําสมถะเนี่ย อาเบอร์สี่นอนๆอยู่ตรงนั้นป้าธิดากราบน้บบัพสการหลวงพ่อเจ้าค่ะพอดีเดือนที่ผ่านมานี้ไม่สบายเจ้ค่ะหลวงพ่อก็เลยเหมือนจิตมันไม่มีกําลังอะค่ะ <c oughs> โยมก็ทนไม่ได้ <c oughs> พยายามที่จะทําสมาธิมันก็ไม่เป็นสมาสมาธิอะค่ะทีนี้ครั้งสุดท้ายที่โยมส่งกันบ้านหลวงพ่อได้เมตตาบอกให้ไปดู ให้ไปดูจิตที่กระสับกระส่ายโยมก็ดูจิตที่กระสับกระส่ายเพราะมันกระสับกระส่ายจริงๆอะคะ่ะแต่ดูแล้วมันก็กระสับกระส่ายมากขึ้นดูจิตที่วิตกกังวลดูแล้วมันก็วิตกกังวลมากขึ้นจิตไม่เป็นกลางแล้วมันก็ไม่พอใจมากๆค่ะมันก็ดิ้นดิน ด, นดินดิ้นจนไม่รู้เรื่องะคะ่ะดิ้นดูเดือนนมาสามสี่วันเนี่ยค่ะมันเพิ่ม <laughs> มันคงจะหมดแรง มันก็เลยหายดิ้นไปหน่อยหนึ่งนะคะแต่พอมันหายดิ้นแล้วเหมือนสภาวะอะไรทุกอย่างที่โยมเคยเห็นว่ามันมันเกิดคนละทีมันมันเกิดแล้วดับไปแล้วเกิดใหม่แล้วดับไปนะคะมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วอะค่ะมันเหมือนเห็นสองสภาวะพ้อมๆกันที่ขัดแย้งกันด้วยเช่นเช่นขณะที่จิตมันเบิกบานเนี่ยมันก็มีความทุกข์และขณะที่มันเหมือนมีความสุขเนี่ยค่ะ จิตมันก็เหมือนเป็นทุกข์มันมันมันเหม็นเห็นอะไรที่มันขัดแย้งกันหลอดนะคะจริงๆแล้วมันทุกข์ทั้งหมดเลยนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นะตูไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นวนะ่มีแต่ทุกข์ล้นๆ้นเลยมันกำลังสอนเรานะว่าใจเราเนี้ยอยากให้มันมีความสุขอยากดีอยากสุขอยากสงบแต่ว่าพอเราจเจริญปัญญามามากเข้ามากเข้าเราจะเห็นทุกอย่างมันทุกข์ทั้งนั้นเลย ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยได้สักอย่างเดียวตอนนี้เริ่มรู้สึกไหมมันเหมือนเราไม่มีที่พึ่งที่แท้จริงแล้วไม่มีจริ ง, รงมันมีแต่ทุกข์น ะ, ะเนี่ใจมันจะถูกสติปัญญาเนี่ยแผดเผาไว้ด้วยนะจนกระทั่ทงมันรู้สึกแห้งผากเลยมีแต่ทุกข์ล้น้วนเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยนะเพราะตามรู้ตามดูไปนะตีไม่ใช่ไม่ดีทีนี้พอเริ่มจะดูได้นะคะหลวงพอ่อเยิมก็เห็นว่า สภาวะเนี่ยค่ะมันเหมือนคือมันดูแล้วมันเฉยๆนะคะหลวงพ่อคะมันมันมันเหมือนไม่เห็นมันเหมือนไม่ได้ดูเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยคือพอมันประณีตขึ้นมานะมันเหมือนไม่มีอะไรเท่าไหร่อ่ะจะรู้สึกอยู่นะแล้วภาวนาเนี่ยพอถึงขั้นละเอียดเข้าไปจริงๆนะสติสมาธิปัญญาที่มารู้จิตเนี่ยเป็นสภาวะที่เนียนมากเลยสติระลึกรู้จิตโดยไม่ได้เจตนาระลึก แค่แค่แตะแตนิดเดียวแค่แค่เหมือนจอไม่ไม่แตะด้วยซ้ำไปสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่จิตก็ตั้งมั่นอยู่โดยไม่ได้ประคองไว้ปัญญาก็อย่างรู้อย่างลึกซึ้งอย่างซึ้งซึ้งอะ่ะนะไม่ออกมาเป็นคำพูดอนะไรเงีนะ้ยมันจะค่อยประนีตประณีตขึ้นไปเป็นลำดับแล้วค่ะแล้วยมเห็นสภาวะค่ะยมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นหรือว่าโยมไม่เห็นหรือว่ายมเห็นจริงๆ มันเหมือนกราฟหัวใจของคนที่ตายแล้วแต่ว่ายังตายไม่สนิทนะมันแบมันเป็นเส้นะตรงแล้วมันกระตุกนิดเดียวก็ไหวยิบยิขึ้นมาแล้วก็ยอมก็รู้สึกว่าเวลาดูนะดูไม่เป็นเลราหรือไงดูสบายๆดูห่างๆนะภาว่าพอมันละเอียดแล้วดูยากแล้วก็ดูไปนานๆไหวยิบๆๆบขึ้นมาทิงนะเจ้าค่ะยังดูเป็นอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นเป็นแต่เพียงแต่ตอนเนี้ยจิตมันออกมาอยู่ข้างนอกรู้สึกไหม จิตมันมาหาหลวงพ่อมันออกมังนอกเจ้าค่ะแล้วก็ยมรู้ทุกอย่างนะอย่างที่เขาเป็นนะรู้ด้วยความเป็นกลางใช้หลักตัวนี้เราใช้ได้ตลอดเลยนะยมขอโอกาสนิดนึ่งค่ะราเบนถามหลวงพ่อค่ะตกจากอารมณ์กรรมฐานหรือยังเจ้าค่ะไม่ตกสิไม่ตกเลยเจ้าค่ะแต่ตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่นจิตเป็นกระจายออกไปก็ให้รู้ไปว่ากระจายนะถ้ากระจายออกไปมันจะเบาๆแล้วดูไม่ออก แต่ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่มันจะเบาๆนะจะเห็นนา น, านไๆไวนะขี้ๆขี้ๆขีขึ้นมาเจ้าค่ะเบอร์สามสิบสองสามสิบสองอยู่ไหนการบรรษัทการพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์เคยบอกว่าหนูจงใจดูอะพระอาจารย์แต่หนูก็ยังจงใจอยู่อะค่ะจงใจมากขึ้นไหมหรือน้อยลงอ่าวันนี้รู้สึกว่าเบาลองอะค่ะพระอาจารย์ถูกต้องค่ะแล้วก็หนูจะค่อนข้างที่จะ บางครั้งเห็นสภาวะแล้วมันจะเบามากค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าต้องจงใจดูนิดนึง่ะคะพระอาจารย์มไม่ถูกใช่ไหมคะไม่เป็นไรเบื้องต้นจงใจแล้วรู้ว่าจงใจก็ยังดีค่ะพระอาจารย์แล้วก็หนูจะนั่งสมาธินี่ไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์นั่งแล้วมันจะฟุ้งซ่านตลอดอะค่ะเราก็จะคิดตลอดเวลาที่ที่นั่ง แล้วปกติจะเป็ น, นชอบเดินจงกรมใช่ไหมคะแต่ตอนหลังนี่เดินไม่ได้เลยคะ่ะพระอาจารย์พอดนเดินปุ๊บเนี่ยก็จะแบบหาวตลอดเวลาแล้วก็จะแบบเดินแล้วก็เป๋ออกนอกทางตลอดนะคะพระอาจารย์ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรคะ่ะดีสิไปทําอีกนะเป๋ก็เป๋หลับก็หลับทำไม่เลิกสู้ต่อไปใช่ไหมคะรพระอาจารย์นะไม่เลิกนะค่ะจิตบางช่วงมันเป็นอย่างนั้นแหละอ๋อเป็นบางช่วงใช่ไหมคะช่วงหลังทํำไมเป็นนานจังเลยคะพระอาจารย์ก็ดีแล้วละ มันเจริญขึ้นนะเจริญเหรอคะพระอาจารย์เออมันเจริญขึ้นเบอร์เก้าเบเก้ากล่าวขอบพระคุณค่ะไปทําต่อนะสนงพ่อก็ไปเป็นเดินรงกลมอย่างหลักเลยเหมือนจะหลับตลอดเวลาเลยมสการครับขอโอกาสครับคือรู้สึกว่าจิตไม่ค่อยมีกําลังะครับก็เลยไปนั่งสมาธิเพิ่มครับแล้วก็เวลานั่งก็ปรากฏว่าคือมันจิตมัน เดี๋ยวก็ไปดู<ม>ท้องของยุบแล้วก็มามขึ้นมาพุทธโธดูลมหายใจครับแล้วก็ครา้ น, นี้พอจิตมันไหลไปก็ก็รู้แล้วครา้นี้พอพอรู้เสร็จปุ๊บพอจะเข้าเข้าเข้าสู่วิหารธรรมเดิมครับก็จิตมันก็ไม่รู้จะไปจับตัวไหนว่าคือจับไม่ถูกว่าจะไปท้องหรือว่าจะไปลมหายใจหรือว่าจะไปพุทธโธเลยนะครับถ้าถ้ามันสายไปทางโน้นทางนี้นะเรารู้ทันจิตเข้าไปเลยว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่จริงก็จะสงบลงมานะ นี่สงบลงมาแล้วมันจะมีอยู่ที่ท้องเราก็รู้ทันมันหนีไปอีกก็รู้ทันแต่บางทีเปลี่ยนเร็วหนีตรนั้นปุ๊บๆัถ้าเวลามันเปลี่ยนเร็วเนี้นะให้รู้ทันในภาพรวมไม่ต้องไปดูทีละอันรู้ทันในภาพรวมว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่มันจะสงบลงมาพอสงบลงมานะมันจะค่อยๆเปลี่ยนช้าๆจะค่อยไหลเนิบๆมาไม่เปลี่ยนปุ๊บป๊บปั๊บดูไม่ทันหรอกผมต้องต้องเลือกเอาอย่างในอย่างหนึ่งวะครับหรือว่าเบื้องต้นก็เอาไว้อันหนึ่งก่อนนะ แต่ว่าจุดหลักถ้าฟังอย่างที่คุณว่าเนี่ยคุณใช้อะไรเป็นวิหารธรรมรู้เปล่าคุณใช้จิตเป็นวิหารธรรมคุณเห็นจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาตลอดคุณก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะแต่อย่าไปไหลาตามมันไปเห็นจิตมันเคลื่อนใจเราเป็นคนดูอยู่นะครับ แ, แต่ว่าบางทีพอจิตมันรวมนิดนึงครับหลวงพอ่อแล้วก็ตอนคือมันสบายกว่าเดิมแต่ว่าคือตอนนี้คือไม่แน่ใจว่าไปไ ป, ไปสร้างพบอะไรอยู่เพิ่มหรือปเปล่าผมจะไปกลัวนะ การภาวนาทั้งหลายเนี่ยเป็นภพทั้งสิ้นแหละแต่เป็นภพที่จะให้เกิดสติเกิดปัญญาเพื่อจะพ้นจากภพนะนั้นอย่าไปกลัวภพเลยถึงเราไม่ไปจงใจปฏิบัติเป็นภพขึ้นมาจิตก็มีภพอยู่ดีเดี๋ยวก็เป็นภพมนุษย์ภพสัตว์ภพเปรตภพอสุลกายเป็นไปเรื่อยจิตเราเปลี่ยนภพอยู่ตลอดเวลาแล้วการที่เราลงมือปฏิบัติก็เป็นภพเหมือนกันนะไม่ต้องกลัวหรอกแต่เป็นภพที่เกื่อกูลให้มีสติมีปัญญาภพส่วนใหญ่ เพื่อกูรให้หลงขอบคุณครับไปฝึกนะจิตดีขึ้นแล้วละรู้สึกตัวไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเมื่อก่อนเครียดกว่านี้เยอะเลยร้อยสี่อยู่ข้างหลังข้อกับนมัจการหลวงพ่อเจ้าค่ะเดิมทีก็ที่ได้ได้เคยมาส่งการบ้า น, นเมื่อคราวที่แล้วนะคะแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าในขณะที่กาลังพูดพูดไปอยู่เนี่ยกาลังคิดอยู่ แล้ปากนี่ก็พูดออกไปทันทีว่าหนูเห็นค่ะแต่พอจริงๆแล้วคือไม่ได้เห็นตามตา ม, ตามที่หลวงพ่อพูดในขณะนั้นแต่จิตในขนาดนี้ก็คือยังมีอาการหวาดหวาดกลัวๆสรรๆันสรรเออเครือเแล้วก็เหมือนประคองจิตเอาไว้เพื่อให้ตัวเองเป็นคนดีอยู่ตลอดเวลาให้รู้ทันนะค่ะรู้สึกไหมหเราไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกค่ะนะดีนะค่ะเราเดินมาได้ดีล้เดินมาได้ถูกทางแล้วค่ะ ตอนนี้ก็จิตกําลังตื่นขึ้นมาแต่ก็จะมี<ช>สันสขึ้นมา<ช>นิดนึงค่ะจิตมันตื่นมันหลุดออกมาจากตะกี้หลวงพ่อครับเดิมทีก็สอนลูกศิษย์อยู่ประมาณ2บริษัทนะคะก็สอนให้เขาดูตัวเขาเองไม่ให้ไปดูคนอื่นแล้วให้เขาเปลี่ยนความคิดจากะจะบอกว่าจิตมันมีหน้าที่อยู่4อย่างก็คือรับจําคิดรู้แต่เมื่อเขารู้อารมณ์เสร็จหนูก็บอกว่าถ้ารู้รู้ไม่ท้อทันอารมณ์ที่โกรธขึ้นมา ให้วิจัยและวิจารณ์จิตว่าไปกอดเพื่ออะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมคะก็เป็นอุบายอันหนึ่งนะเบื้องต้นอย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าเบื้องปลายนี่ยมันรู้แล้วขาดรู้แล้วขาดมันจะไม่ต้องจิตละค่ะตอนนี้รู้สึกร้อนๆที่หูมานิดนึ่งก้วันนี้พาประธานชมรมกระยาธรรมมาด้วยเนี่ยค่ะอยากให้อ้าว่าไปก็ของคุณดีขึ้นเยอะเลยคุณรู้สึกตัวไหมดี อย่างประคองอยู่ก็รู้เห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นก็รู้รู้สึกไหมมันไม่มีเราอ่ะช่วยเอาไม่ไปมีเมื่อคือนนอนพิจนารณาเขาว่าร่างกายนี่เหมือนวัตถุชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องมือให้จิตได้ทำงานแล้วก็ตั้งใจว่าร่างกายนี้เราจะใช้ทำงานเพื่อพุทธศาสนาเป็นอุปกรณ์ให้กับพระพุทธศาสนาให้ดีที่สุดนะคะหลวงพ่โมตนาเรารู้หลักแล้วนะเราก็ไปบอกได้ ท่านประธานชมลมนี้เก่งเก่งน้าชทึ่งเลยจัดงานได้โอ้โหเห็นแล้วกลัวกลัวหัวใจวายคนเยอะเหลือเกินอเชิญก็กำลังทำกันบ้านอยู่ค่ะไม่ไม่มีอะไรจะรายงานหลวงพ่อรู้สึกว่าต้องเอาใจใส่ตัวเองให้มากกว่านี้เท่านั้นนะคะ เราคอยรู้ทันนะจิตเราเนี่ยมันจะสร้างภพตลอดเวลานสร้างสร้างสิ่งบางสิ่งขึ้นมาแล้วเราก็ไปติดอยู่กับสิ่งนั้นกระทั่งนักปฏิบัตินะเราก็จะสร้างภพที่นิ่งนิ่งว่างๆนุ่มนวลอะไรขึ้นมานะเราก็จะไปเกาะเอาอย่างเงี้นเราคิดว่าอย่างนี้ยดีถ้าเราสร้างขึ้นมารู้ว่าสร้างจิตเข้าไปเกาะอยู่รู้ว่าเกาะอยู่อันนี้ถึงจะดีจริงนะมีไหมตอนนี้ มันก็เกาะอะไรอยู่ที่คิดว่ามันจะดีก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติน ะ, ะธรรมดาดีที่สุดนะเพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราปรุงขึ้นมาพอเราปรุงขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปอาศัยอยู่แล้วคิดว่าอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆจะดีไม่ดีหรอกนะมันเหมือนกับเราไม่ออกมาสู้รบกับกิเลสใช่ไหมมันเป็นที่พักที่หนีหนีข้อป้อมอ่ะนึกออกไหมเหมือนหนีข้อป้อมเปียกเลยให้รู้ทันนะออกมาสู้นะ เข้ออาใจค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะสู้ให้ได้นะเราอุตส่าห์สร้างคุณงามความดีตั้งเยอะแยะัวชมลมนี้จัดเทศทีหนึ่งคนตั้ง 5, ห้าพันกว่าคนอีกนอยต้องไปจัดสนาหลวงอวัสด ก, การหลวงพ่อค่ะมาที่นี่สามครั้งไม่เคยส่งกันบ้านวันนี้จะขอส่งสักนิดหนึ่งค่ะได้คือสงสัยตัวเองนะคะคือแบบเวลาเราคิดอะไรมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีจิตอีกตัวหนึ่ง ม, มาค้านทันทีอะคะ่ะ ดีมีทั้งฝ่ายเสนอฝ่ายข้านแบบว่าพอพอเราคิดว่าเออคนนี้เขาทําไม่ถูกเลยเนาะแต่จิตมันจะบอกมาทันทีว่าช่างเขาเถอะโอดีจิตตัวนี้ฉลาดดูตัวเราเหอะอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งทุกครั้งที่คิดมันจะมีตัวค้านตลอดเลยค่ะดีดีดีไม่ทราบว่าทําถูกหรือเปล่าถูกสิอย่างน้อยเราก็เห็นแล้วว่าจิตไม่ได้มีตัวเดียวเห็นไหมจิตคิดก็ดวงหนึ่งนะตัวที่คิดร้ายดวงหนึ่งตัวคิดดีได้อีกดวงหนึ่ง เหมือนคนละตัวกันรู้สึกไหมเคยเห็นรูปวาดรูปวาดของฝรั่งไหมที่มีซาตานตัวหนึ่งแล้วก็เทวดามีปีกอีกตัวนึ่งคอยกระซิบสองข้างแล้วสุดท้ายทุกคนฟังซาตานมันเหมือนมีคนสองคนอยู่ในหัวนะคะพอคิดอีกอย่างหนึ่งคั้นมาทันทีเลยอย่างนี้นะคะนแหละทุกทุกครั้งทุกๆเรื่องที่คิดไม่ทราบว่าเป็นอะไรเป็นสติหรือเป็นมีสติสิคนะ ม, มันมีจิตอีกดวงหนึง่งมารู้ทันจิตอีกดวงหนึงนะนน่งนะร้อหกสิบห้าน่นทางโน้นนั้นครับนมาสการครับหลวงพ่อจะรบกวนขอสอบถามเกี่ยวสภาวะที่ที่พบครับคือหลังจากส่งกลับบ้านหลวงพ่อครั้งที่แล้วครับผม ก, ก็ปฏิบัติตามรูปแบบตลอดครับก็สวดมนต์ปฏิบัติสมาธิเดินจงกรมอะไรครับก็มีคืนหนึ่งผมก็สวดมนต์เสร็จครับก็ก็ ก็ตั้งใจว่าเออคืนนี้จะขอขอนอนดูจิตหน่อยอแต่ว่าคืนนั้นผมส่วนมนรู้สึกว่ามันมันคลายมากนอนแล้วรู้สึกสบายแต่ปรากฏว่าทั้งคืนนันผมก็เหมือนภาวนาพุทโธไว้ครับแล้วก็ดูว่ามีความคิดไหลไปเรื่อยๆครับสุดท้ายผมไม่รู้ตัวที่คือเหมือนผมไม่ได้นอนทั้งคืนเลยฮะคือตื่นมาก็เช้าแล้วดีแล้วผมก็รู้สึกว่าทั้งวันเนี่ยผมไม่ง่วงเลยผมก็เลยงงก็เลยคุยกับกับภรรยาว่าเอ๊ะจบลงผมเนี่ย ผมอดหนับอดนอนหรือเปล่าไม่นอนไม่ไ ม, ไม่ไม่อดหนับอดนอนร่างกายมันนอนนะคแต่จิตมันภาวนาจิตมันอยู่ในสมาธิจิตมันเดินปัญญามันได้พักอยู่ในตัวของมันแล้วครับก็เลยสงสัยครับว่าตอนนั้นว่าปลุกลงผมคิดเพราะว่าผมเป็นคนที่คิดเยอะครับคิดครั้งหนึ่งจะคิดไปทีเดียวอีก 3- 4ี่ช็อตติดกันนะครับก็เลยแต่ช่วงนี้หลังจากที่แต่หลังจากวันนั้นผมก็คิดว่าเอ๊ะผมจะลองทําอีกใช่ไหมฮะปรากฏว่ามันก็ไม่ได้แล้ว อยากแล้วไม่ได้ครับมันก็ไม่ได้แล้วครับก็แต่ช่วงนี้การภาวนาก็คือรู้สึกว่าจะเริ่มมีมันจะสัมผัสได้เร็วขึ้นนะครับว่าเดี๋ยวบางเรื่องมันจะโกดเร็วขึ้นบางเรื่องมันจะหลงเร็วขึ้นแต่ว่ามันมันขึ้นถี่มากครับถี่จนแบบบางทีเรารู้สึกว่าเราเราเหนื่อยมากครับในการที่เรานเราก็ทำสมถะนะครับริกรรมไปอะไรก็ได้ครับเพราะช่วงนี้ผมอาศัยว่าผมก็ทําทุกอย่างครับทั้งสวดมนต์ด้วยเพราะผมเห็นว่าสวดมนต์เนี่ยมันจะไปได้เร็วดี พอสวดปุ๊บมันเห็นวิ่งปื๊ดไปเลยครับแล้วก็เดินจงกรมนี่ผมว่าใสว่าคุณเห็นไหมจิตของคุณเปลี่ยนไปแต่ก่อนมันฟุ้งแรงใช่ไหมครับแต่เนี้ยมันเริ่มสงบมันเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะแล้วที่เริ่มรู้สึกก็คือว่ารู้สึกว่ามันมันมันสุขไม่สุดอะครับแล้วก็ทุกแล้วก็ทุกไม่สุดครับเหมือนไปดูหนังครับบางทีเหมือนดูแป๊บหนึ่งแล้วเราก็เหมือนสติมันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดฮะเหมือนสติมันจับว่าปุ๊บมันมันจะจบไปมันก็เป็นจอดจอดจครับ ก็เลยมองอะไรไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครับไม่สนุกหรอกโลกนี้นะ่าสนุกสนานสําหรับคนหลงโลกนะครับอย่างพระเจ้าท่านเคยบอกเรากว่าพิสูจนทั้งหลายให้เธอดูโลกอันวิจิตสวยงามดุดราชนรสทรงของพระราชาที่คนเข่าเนี่ยพากันหลงติดอยู่ครับนะผู้รู้ไม่ติดหรอกรผู้รู้ว่าไม่เห็นว่ามันจะสุขตรงไหนเลยแม้ยังเคยดูหนังสนุกนะก็ยังงั้นงั้นแหละเคยกินอันนี้อร่อยนะก็รู้สึก ง, งั้นงั้นแหละ โรคเนี่ยจะมีแรงดึงดูดให้ใจเราหลงไหลเนี่ยได้น้อยลงน้อยลงนะครับวันหนึ่งเราก็พ้นไปครับแล้วคดีช่วงนี้คือผมคิดว่าผมน่าจะเจอเจออุปสรรคสักอย่างนึงก็คือว่าเริ่มมีความขี้เกียจเข้ามาโอ้อันนี้ไม่ดีเลยนะครับแต่ว่ารู้ตอนนี้คือคือผมผมรู้ครับรู้รู้รตัวนี้เ ร, เราต้องสู้ด้วยการตั้งอธิษฐานนะบารมีรสร้างไว้ตั้งใจมั่นหมายถึงทุกวันเราจะภาวนาในรูปรบแบบอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงส่วนนี้นะแล้สู้ตาย ครับชี้เกียจ์ยังไงก็ต้องทําก็เลยตั้งใจเหมือนที่ที่หลวงพ่อได้ได้ให้คําแนะนาำครับก็คิดว่าก็คงจะสู้ตายครับอะก็ชาตินี้ชาติเดียวครับเขาขอสู้ตายครับถ้าสู้ไม่ยังไม่จบก็ชาติหน้าสู้อีกนะครับขอบคุณที่สู้ชาติเดียวนะคเขบสู้มันทุกชาติเลยให้จบขอบคุณครับหลวงพ่อครับโมทนารายยี่สิบสองอัศจร์นะคุณภาวนาได้อย่างน่าดูอยู่ข้างหน้าที่อัศจรย์เพราะว่าคุณเป็นคนคิดมากอย่างมหาศาร เราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ขนาดนี้ธรรมะของพรนะเจ้าน่าอัศจรรย์เปลี่ยนเองจริงๆเลยเหมือนมีมนเปลี่ยนใจขอส่งการบ้านในรอบปีสรุปที่ปฏิบัติมาปีเนี้คะ่ะหล่อ<า>โอ้ตั้งปีเลยอ่ะสรุปในปีนี้ที่ปฏิบัติมานะคะหนูก็เริ่มเห็นว่าขันเนี่ยมันทํางานคนละส่วนคนละส่วนกันนะคะกายใจ มันก็แยกกันนะคะออแล้วก็ที่เห็นก็คือสมมุติเวลาที่หนูจิตแอบไปคิดที่ไรเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเกิดเวทนาแล้วก็พอเกิดเวทนามันก็จะมีอัตราตัวตนพุ่งขึ้นมาเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะคะ่ะเท่าที่เห็นนะคะแล้วก็เห็นว่าจิตเนี่ยมันแสวงหานู่นนี่อยู่ตลอดเวลามันไม่เคยพอใจกับ ที่มันเป็นอยู่เลยค่ะมันหิวตลอดเวลาใช่ค่ะเห็นอย่างนั้นนะคะมันหิวตลอดเวลาเลยจิตดีที่เห็นค่ะดูสิแล้วสุขตรงไหนมันไม่มันบางทีตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่ามันสุขแต่ว่ามันก็เดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วมันก็ถ้าไม่หลงโลกไม่สุขหรอกโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่เนี่พูดอย่างนี้นะคนนึกว่าศาสนาพุทธมองโลกแง่ร้ายถ้าพระพุทธเจ้าบอกโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แล้วท่านจบคําพูดของท่านแค่นี้นะเนี่ยมองโลกแง่ร้าย แต่ท่านบอกวิธีที่จะพ้นจากมันด้วยพ้นจากมันแล้วจะพบบรมสุขนะนั่นไม่ใช่การมองโลกแง่ร้ายเลยถ้าแบบไม่มีทางออกโอ้ทุกข์แน่นอนทุกข์แน่นอนอย่างนี้ยมองอย่างนี้หดหูงั้นยิ่งเราพอนาวนะเรายิ่งเห็นทุกข์ยิ่งเห็นทุกข์จิตใจยิ่งเบิกบานมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเพราะจิตห่างโลกออกไปได้่อยไปฝึกต่อไปหลวงพ่อคะเมตตาหลวงพ่อช่วยชีย้แนะว่า ที่ปฏิบัติอยู่นี่ถูกทางไหมหรืยว่าอย่าไปกดอย่าไปข่มจิตนะยังโกรธอยู่ใช่ไหมคะยังโกรธอยู่ตอนนี้ก็โกรธอยู่ตอนนี้โกรธใช่ไหมคะใชหลวงพ่อหนูอยากให้หลวงพ่อชี้สภาวะห น, น่อยได้ไหมค่ะรู้ไหม ย, <c oughs> ย่างไม่เกลี้ตอนที่บอกหลวงพ่อหนูอยากให้หลวงพ่อชี้สภาวะจิตมันพุ่งมาที่หลวงพ่อดูออกไหมค่ะ <c oughs> จิตมันวิ่งจุดมาเลยนะนี้เก็คอยรู้ไปนี่ก็สภาวะนะยังตอนนี้จิตไหลไปคิดทราบไหมทราบค่ะนะนี่ก็สภาวะนะ เนี่ยพยักหน้าเห็นไหมเห็นค่ะเห็นไหมนี่ก็สภาวะนะหลวงพ่อคะหนูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมคะหนูคิดว่าหนูมีนะคะดีขึ้น <c oughs> มาเรียนกับหลวงพ่อแล้ว <c oughs> มีพัฒนาการที่เลวลงนี่ใช้ไม่ได้นะกราบพระคุณค่ะหลวงพ่อมีอีกไหมหรือหมดล้อ่ะหมดแล้วนนวันนี้เชิญวันนี้หลวงพ่อจะบอกให้อย่างวันนี้นะะ แต่ละคนแต่ละคนนะดัดูเข้าท่าแต่ละคนจริงๆไม่มีปัญหาอะไรในการปฏิบัติเท่าไหรหรอกนั้นรู้สึกตัวไปนะเราจะเห็นพัฒนาการด้วยตัวเองนะโมทนากนะับทุกทุกคนเลย